ขอทนขาเธออย่าเพิ่งไม่มีใครปล่อยฉันรักไม่คิดถึงปล่อย ใ, ใจจะหวานซึงได้เสดด้านความจริงใจฉันจะเอาเธอมาเป็นแฟนนี้ได้เธอได้ยินไหมฉันจะทำให้เธอรักฉันจนหมดถังหัวใจฉันจะเอาเธอมา คิดก็คิดว่าฉันมาดีพร้อมใจที่รักเธอหวังออบหวังให้เธอเอนดูถูกใจมาเลียวลกลัวยังกลัวเหมือนกันถ้าเธอเหมือนใจปล่อยลอย เธอทัดแย่ yeah. แต่เธอยังไม่รักเธอยังไม่สนมันก็พอทนขอเธออย่าเพิ่งไปมีใครไปให้ฉันดักปล่อยคิดถึงปล่อยให้ใจถวอ่านซึ้งได้สื้อแดงความจริงใจฉันจะเอาเธอมาเป็นแฟนได้